พระอนุบัญญัติ171อนหนึ่งภิกษุใดให้จีวันแก่ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติต้องอบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันเรื่องภิกษุหลายรูปจบ